ไรปิดกภาษาไทยฉบับมหาจุลาลงกรราชวิทยาลายัยเล่มที่สาสองพระสุตตันตปิดกอปทานภาคหนึ่งพระสุตตันตปิดกขุทกะเนื้อกาย อาประทานภาคหนึ่งขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นหนึ่งพุทธวัครหมวดว่าด้วยพระพุทธเจ้าเป็นต้นหนึ่งพุทธาประทานพระประวัติในอดีตชาติของพระพุทธเจ้า 1. พระอนนเทระผู้เป็นมุนีชาวแควนวิเทหะน้อมกายลงทูลถามพระทตาคต ผู้ประทับอยู่ณนะพระเชตวันมหาวิหารว่าได้ทราบว่าพระสัพพัญยูพุทธเจ้ามีอยู่พระสัพพัญยูพุทธเจ้าเหล่านั้นผู้เป็นนักปราดทรงอุบัติขึ้นเพราะเหตุอะไรลำดับนั้นพระสัพพัญยูผู้ประเสรศิฐผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ได้ตรัสกับพระ อ, อนนท์ผู้เจริญด้วยพระสุรเสียงที่ไพเราะว่าที่รชนเหล่าใด ได้สั่งสมกุศลสมพานไว้ในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆยังไม่ได้ความหลุดพ้นจากกิเลสในสาศาสนาของพระชินเจ้าทั้งหลายเพราะมุ่งต่อสัมโพธิยา น, นั้นแหละทีระชนผู้มีปัญญาแก่กล้าดีจึงได้บรรลุความเป็นพระสัพพันย์อยู่ด้วยอธียาสายที่เข้มแข็งและด้วยอำนาจแห่งปัญญาถึงเราก็ได้เป็นผู้มีใจปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้า ในสำนักของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนอนหลายพระองค์พระพุทธเจ้าเหล่านั้นทรงเป็นพระธรรมราชานับไม่ถ้วนต่อไปนี้ขอให้เธอทั้งหลายผู้มีใจหมดจดจงฟังประวัติในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระธรรมราชาสมบูรณ์ด้วยบา ร, รมีสามสิบประการนับไม่ถ้วนเรายกนิ้วมือทั้งเจนิ้วขึ้น นอบน้อมพระโพธิญาณของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดอภิวาทพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกพร้อมด้วยประสงค์ด้วยเสียงกล่าวในพุทธเขตมีรัตนะที่อยู่ในอากาศที่อยู่บนภาคพื้นดินนับจำนวนไม่ท้วนอยู่เท่าใดเราพึ่งนึกนำรัตนะเท่านั้นทั้งหมดมาได้ณนะพื้นที่อันเป็นเงินนั้นเราได้เนรมิตปราสาทแก้วหลายร้อยชั้น สูงตรงานโช่ช่วงในท้องฟ้ามีเสาวิจิตงดงามมีค่ามากตั้งอยู่เรียงรายมีคือทำด้วยทองคําติดคู่ห่วงทองคําที่คือหรือจันทันประดับด้วยนกกเรียนและฉับพื้นชั้นแรกทำด้วยแก้วไพลทูลงดงามด่งก้อนเมฆปราศจากมลทินมีผ้าฝูงปลาและดอกบัวอยู่เกลื่อนกลาดย่อมงามด้วยพื้นทองคาอย่างดี ที่ปราสาทนั้นพื้นบางชั้นมีภาพกิ่งไม้อ่อนช้อยมีสีเหมือนสีแก้วประพานบางชั้นมีสีแดงสดบางชั้นงดงามเปล่งรศมีดังสีมแมลงค่อมทองบางชั้นสว่างสวายไปทั่วทิศที่ปราสาทนั้นแบ่งพื้นที่เป็นหน้ามุกระเบียงหน้าต่างไว้อย่างดีมีพวงอุบะหอมที่น่ารื่นรมย์ใจห้อยย้อยจากวาลัยพิี และบานประตูขายทั้งสีด้านที่ปราสาทนั้นประกอบด้วยเรือนยอดชั้นเยี่ยมประดับด้วยลัตนเจ็ดประการมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวสีดำล้วนที่ปราสาทนั้นมีดอกประทุมชู่ก้านบานสะพรั่งงดงามด้วยภาพหมูเนื้อร้ายและฝูงนกดารดาดด้วยดวงดาวแพรวพรายรีประยับประดับด้วยรูปดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ ปราสาทนั้นใช้ตาขายทองคำปกคลุมติดขายกระดิ่งทองคำพวงดอกไม้ทองคำน่ารื่นรมย์ใจลมพัดมากระทบเข้าก็เกิดเสียงดังกลังวานที่ปราสาทนั้นขึงธงทิวซึ่งย้อมด้วยสีนานาชนิดคือธงสีหงสบาทสีแดงสีเหลืองสีทองชมพูนุ่ที่ปราสาทนั้นมีที่นอนต่างๆ ง, งดงามมากมายหลายร้อยชนิด ทำด้วยแก้วพลึกเงินแก้วมณีทับทิมแก้วลายปูด้วยผ้าแควันกาสีเนื้อละเอียดอ่อนผ้าห่มสีเหลืองทอด้วยได้ขนสัตว์ทอด้วยผ้าเปลือกไม้ทอด้วยฝ้าเมืองจีนทอด้วยฝ้าเมืองปัตตุนนะเครื่องปูลาดต่างๆทั้งหมดเราอธิษฐานใจปูลาดไว้แต่ละชั้นประดับด้วยช่อฟ้าซึ่งทําด้วยรัตนะ มีคนยืนถือประทีปดวงแก้วสว่างสวัยอยู่เรียงรายมีเสาระเนียดเสาปักเรียงรายตลอดรัว้วและเสาค่ายทองคำเสาค่ายทองชมพูนัดเสาค่ายไม้แกนและเสาค่ายเงินที่งดงามย่อมทาประสาทนั้นให้งดงามที่ประสาทนั้นมีที่ต่อช่องหลายแห่งจัดไว้เรียบร้อยดีมีบานประตูและลูกดานงดงาม มีกระถางโวหลวงโวขาบเรียงรายอยู่ทั้งสองด้านเราเนรมิตรพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกในอดีตทุกพระองค์พร้อมทั้งพระสงฆ์สาวกด้วยวันนะและรูปตามปกติพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พร้อมด้วยสาวกเป็นหมู่พระอริยะเสด็จเข้าไปทางประตูนั้นประทับนั่งบนต่างทองคำล้วนพระพุทธเจ้าผู้ยอดเยี่ยมในโลก ทั้งที่เป็นอดีตและปัจจุบันทุกพระองค์ได้เสด็จขึ้นสู่ปราสาทของเราแล้วพระปจเจกแระพธะเจ้าหลายร้อยพระองค์ผู้เป็นพระสยามผู้ผู้ไม่ทรงพ่ายแพ้ ท, ทั้งที่เป็นอดีตและปัจจุบันทั้งหมดได้เสด็จขึ้นสู่ปราสาทของเราแล้วต้นกลปพฤกทิพย์และต้นกลปพฤกมนุษย์มีมากมายเราได้นำผ้าทุกอย่างมาจากต้นกลปพฤกเหล่านั้น ตัดเย็บเป็นไตรจีวรถวายให้นุ่งหม่มของเคี้ยวของฉันของลิ้มน้ำปานะรวมทั้งอาหารมีอยู่อย่างเพียรพร้อมเราถวายบรรจุจนเต็มบาตรแก้วมณีลูกงามทุกลูกหมู่พระอริยะเหล่านั้นเป็นผู้หมดจดจากกิเลสครองจีวรผ้าทิพย์เสมอกันอ่านข้าพเจ้านิมนต์ฉันจนอิ่มน้ำด้วยน้ำตาลกรธน้ำมันน้ำผึ้ง น้ำอ้อยและข้าวอย่างดีทั้งหมดด้วยเข้าไปสู่ห้องแก้วเหมือนไกรสอนราชสีเข้าไปสู่ถ้าสำเร็จสีห่สยญาาบนที่นอนมีข่ามากมีสติสัมปชัญญะลุกขึ้นแล้วนั่งขัสมาธิบนที่นอนซึ่งเป็นอารมณ์ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์แนบแน่นด้วยความยินดีในฌานหมู่หนึ่งแสดงธรรมหมู่หนึ่งยินดีด้วยฤทธ หมู่หนึ่งเข้าอัปนาฌานหมู่หนึ่งเจริญอภิญญาวาสีแสดงฤทธิ์ได้หลายร้อยหลายพันประการฝ่ายพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ถามพระพุทธเจ้าทั้งหลายถึงปัญหาอันเป็นวิสัยแห่งพระสัพพัญยุตยานพระพุทธเจ้าเหล่านั้นก็ทรงรู้แจ้งเหตุอันลึกซึ้งละเอียดอ่อนด้วยปัญญาสาวกทั้งหลายก็ทูลถามพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ตรัสถามสาวกทั้งหลาย ทั้งพระพุทธเจ้าและสาวกเหล่านั้นต่างก็ถามตอบกันละกันพระพุทธเจ้าพระปัเจิกับพุทธเจ้าและสาวกผู้ปรนนิบัติเหล่านั้นต่างริ่นรมยินดีในปราสาดด้วยความยินดีด้วยประการฉนิพระเจ้าติโลกวิชัยทรงดําริว่าฉัดตั้งซ้อนกันมีรัศมีเปล่งปลั่งดังแก้วไพลทูลขอให้ทุกคนจงกลั่นชัดมีตาข่ายทองคําห้อยระยะ ประดับด้วยตะขายเงินแวดล้อมด้วยตะขายแค้มุกดาวไว้เหนือศีรษะข้าพเจ้ามีเพดานผ้าติดดวงดาวทองมีแสงแวววาวมีพวงมลาลัยห้อยอยู่ทั่วงดงามตรการตาเพดานผ้าทั้งหมดจงดาดอยู่เหนือศีรษะศาที่ดาวระดาดด้วยพวงมลาลัยงดงามด้วยพวขงของหอมมีพวงผ้าห้อยระยะประดับประดาด้วยพวงมรนะ มีดอกไม้เรียงรายงดงามนักอบด้วยของหอมกลิ่นฟุ้งกระจายไปใช้นิ้วมือทั้งห้าเจิมด้วยของหอมมุงด้วยหลังคาทองคําทั้งสีทิศแห่งประสาทดาระดาดด้วยดอกประทุมและดอกอุบลปรากฏเป็นสีทองหอมฟุ้งด้วยละอองเกรสรดอกประทุมรอบๆประสาทต้นไม้ทุกต้นจงออกดอกบานสะพรั่งดอกไม้หล่นเอง ปลิวไปโปรยประสาทใกล้ๆประสาทนั้นขอฝูงนกยูงจงรำแพนหางฝูงหงทิพจงส่งเสียงร้องฝูงนกการะเวกจงร้องขับขานวิหกก็จงส่งเสียงขับขานอยู่รอบๆประสาทกลองทุกชนิดจงดังขึ้นพินทุกชนิดจงบรรเลงเครื่องสังขีทุกชนิดจงบรรเลงขับกล่อมอยู่รอบๆประสาท ตลอดพุทธเขตและจักรวานต่อจากนั้นจงมีบันลังทองขนาดใหญ่เรืองรองด้วยรามีไม่มีช่องว่างคลิปด้วยรัตนะตั้งอยู่รอบๆปราศาสขอต้นพฤกษาประทีปจงสองสว่างมีแสงช่อช่วงติดต่อเป็นอันเดียวกันทั้งหมื่นดวงหญิงนักฟ้อนก็จงฟ้อนหญิงนักร้องก็จงขับร้องหมูนางอับสรก็จงไร้รำ สนามเต้นราต่างๆจงปรากฏอยู่รอบๆปราสาทเราผู้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดมีนามว่าติโลกวิชัยในครั้งนั้นสั่งให้ยกธงทุกชนิดวิจิตรงดงามห้าสีไว้บนยอดไม้บนยอดภูเขาและบนยอดภูเขาสิเนรุหมูมนุษย์หมูนาบหมูคนทันและหมูเทวดาทั้งหมดนั้นจงเข้ามาประนมมือนอบน้อมแวดล้อมประสาทของเรา ผู้ศรกรรมใดๆควรเพื่อบังเกิดในสวรรค์ชั้นตรัยทิพย์เทือกข้าพเจ้าพึงกระทำด้วยกายวาจาใจผูลกรรมนั้นทั้งหมดข้าพเจ้าได้กระทำแล้วสัตว์เหล่าใดมีสัญญาก็ตามและสัตว์เหล่าใดไม่มีสัญญาก็ตามมีอยู่ขอสัตว์เหล่านั้นทั้งหมดจงเป็นผู้มีส่วนสวยผลบุญที่เราทําแล้วสัตว์เหล่าใดรู้ว่าเราทําบุญขอสัตว์เหล่านั้น จงมีส่วนสวยผลบุญที่เราให้แล้วก้อในบรรดาสัตว์เหล่านั้นสัตว์เราได้ไม่รู้ขอเทวดาจงไปประกาศให้สัตว์เหล่านั้นทราบเราสัตว์ในโลกผู้อาศัยอาหารเลี้ยงชีวิตทุกจาพวกขอจงได้โภชนะาหารที่น่าพอใจตามเจตนาของเราเราให้ทานด้วยใจเยอะถือความเลื่อมใสด้วยใจเราได้บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ พร้อมทั้งพระประเจตขพะพุทธเจ้าและสาวกของพระศินเจ้าแล้วด้วยกรรมที่เราทำไว้ดีแล้วนั้นและด้วยการตั้งเจตนาไว้มั่นเราละร่างกายมนุษย์แล้วจึงได้ไปเกิดยางสวรรค์ชั้นดาวดึงเดารู้จักแต่พบทั้งสองคือความเป็นเทวดาหรือความเป็นมนุษย์มิได้รู้จักคติอื่นเลยนี้เป็นผลแห่งความปรารถนาด้วยใจเมื่อเราเกิดเป็นเทวดา เราก็ยิ่งใหญ่กว่าพวกเทวดาเมื่อเราเกิดเป็นมนุษย์เราก็ยิ่งใหญ่กว่าพวกมนุษย์เราสมบูรณ์ด้วยรูปลักษณะไม่มีใครเสมอด้วยปัญญาภาชนะมีรสอร่อยหลายชนิดรัตนมิใช่น้อยผ้าชนิดต่างๆจากฟากฟ้าย่อมเข้ามาหาเราเร็วพลันเราเหยียดมือไปในที่ใดๆจะเป็นบนพื้นดินภูเขาอากาศในน้า และในป่า ก, ก็ตามพักษาหารอันเป็นทิพอาหารทิพจากที่นั้นๆย่อมเข้ามาหาเราเราเหยียดมือไปในที่ใดๆจะเป็นบนพื้นดินภูเขาอากาศในน้ำและในป่า ก, ก็ตามรัตนะทุกอย่างจากที่นั้นๆย่อมเข้ามาหาเราเราเหยียดมือไปในที่ใดๆจะเป็นบนพื้นดินภูเขาอากาศในน้ำและในป่า ก, ก็ตาม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 ภูเขาอากาศในน้ำและในป่าก็ตามน้ำพึ่งและน้ำตาลกรธดจากที่นั้นๆย่อมเข้ามาหาเราเราเหยียดมือไปในที่ใดๆจะเป็นผลพื้นดินภูเขาอากาศในน้ำและในป่าก็ตามของขบเคี้ยวทุกอย่างจากที่นั้นๆย่อมเข้ามาหาเราเราให้ทานอย่างดีแก่คนไร้ทรัพย์คนเดินทางไกลคนขอทาน และคนหลงทางเพื่อต้องการจะบรรลุสัมโพธิญาณอันประเสริฐเราทำให้ภูเขาศิลาล้วนบันเลอทำให้ภูเขาหนาทึบกระหึม่มทำให้มนุษย์โลกพร้อมทั้งเทวโลกร่าเริงจะเป็นพระพุทธเจ้าในโลกทิศทั้งสิบในโลกเมื่อคนเดินไปย่อมไม่มีที่สิ้นสุดในส่วนแห่งทิศนั้นพุทธเกตก็นับจานวนไม่ท้วนเหมือนกัน แสงสว่างตามปกติของเราในสมัยเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิปรากฏเปล่งรังสีออกมาเป็นคู่คู่ขายรัศมีมีอยู่ในระหว่างนี้แสงสว่างมีอย่างภัยบูนขอประชาชนทั้งหมดในโลกธาตุประมาณเท่านี้จงมองเห็นเราทั้งหมดจงดีใจทั้งหมดจงคล้อยตามเราเราตีกลองอมฤตมีเสียงไพเราะกังวานขอประชาชนในระหว่างนี้ จงฟังเสียงที่ไพเราะของเราเมื่อตถาคตบันดาลเมฆฝนคือพระทําให้ตกลงขอชนทั้งหมดจงเป็นผู้ไม่มีอาสวะบันดาผู้ที่ประชุมกันอยู่ในที่นี้ผู้มีคุณต่ำสุดจงเป็นพระโสดาบันเราให้ทานที่ควรให้แล้วบาเพ็ญศีลลบารมีอย่างเต็มเปี่ยมสำเร็จเนคข ม, มะบารมีแล้วบรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุด เราสอบถามบัณฑิตทั้งหลายบำเพ็ญปัญญาบา ร, รมีแล้วบำเพ็ญวิริยะบา ร, รมีแล้วสำเร็จขันติบา ร, รมีแล้วบรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุดเราบำเพ็ญอธิษฐานบา ร, รมีแล้วบำเพ็ญสัจจะบา ร, รมีแล้วสำเร็จเมตตาบา ร, รมีแล้วบรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุดเรามีใจสม่ำเสมอในอารมณ์ทั้งปวงเพือทั้งในลาบในความเสื่อมลาบในความสุข ในความทุกข์ในการนักถือและในการถูกดูหมิน่นบำเพ็ญอุเบกขาบารมีแล้วบรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุดท่านทั้งหลายจงเห็นความเกียครานเป็นสิ่งน่ากลัวแต่จงเห็นความเพียรเป็นสิ่งปลอดภัยจงบำเพ็ญเพียรกันเถิดนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านทั้งหลายจงเห็นการวิวาทกันเป็นสิ่งน่ากลัว แต่จงเห็นการไม่วิวาทกันเป็นสิ่งปลอดภัยจงสมัครสมานสามัคคีกันพูดจาไพเราะอันเถิดนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านทั้งหลายจงเห็นความประมาทเป็นสิ่งน่ากลัวแต่จงเห็นความไม่ประมาทเป็นสิ่งปลอดภัยจงเจริญมักอันประกอบด้วยองค์แปรเถิดนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าและเหล่าพระอาหารหันต์จํานวนมากมาประชุมพร้อมกัน ท่านทั้งหลายจงกราบไหว้พระพุทธเจ้าและเหล่าพระอรหันต์เถิดตามที่กล่าวมานี้พระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอจินไตธรรมของพระพุทธเจ้าก็เป็นอจินไตสำหรับผู้ที่เลื่อมใสในอจินไต ย, ย่อมมีวิบากเป็นอจินไตดังนี้แหลได้ทราบว่าพระผู้มีพระภาคเมื่อจะทรงให้พระอานนทเทระทราบพุทธจริตของพระองค์จึงได้ตรัสธรรมบัญญายชื่อว่า พุทธาประทานิยะการประกาศประวัติในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าด้วยประการะชนี้พุทธาประทานจบ 2. ปัิเจ้กับพุทธาประทาน พระประวัติในอดีตชาติของพระประเจกขพุทธเจ้าต่อไปนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงฟังประวัติในอดีตชาติของพระปัเจ ก, กพุทธเจ้าพระอนนทเทระผู้เป็นมุนีชาวแควนวิเทหะน้อมกายลงทูลถามพระตถาคตผู้ประทับอยู่ณนะพระเจตวันมหาวิหารว่าข้าแต่พระี ร, ร, ะระเจ้าได้ทราบว่าพระปัเจกบพุทธเจ้ามีอยู่ พระปฏิเจตนพุทธเจ้าเหล่านั้นผู้เป็นนักปราดอุบัติขึ้นเพราะเหตุอะไรลําดับนั้นพระสัพพัญยูผู้ประเสริฐผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ได้ตรัส ก, กับพระอานุนผู้เจริญด้วยพระสุรเสียงที่ไพเราะว่าที่รชนเหล่าใดได้สังสมกุศลสมภานไว้ในพระพุทธเจ้าองค์ก่อรยังไม่ได้ความหลุดพ้นจากกิเลสในศาสนาของพระชินเจ้าทั้งหลาย เพราะมีความสวจใจนั้นแหลเป็นตัวนำทีระชนเหล่านั้นผู้มีปัญญาแก่กล้าดีถึงจะเว้นจากพระพุทธเจ้าก็ย่อมบรรลุพระปัะเจกโพธิญาณได้แม้ด้วยอารมณ์เพียงนิดหน่อยในโลกทั้งปวงยกเว้นเราเสียแล้วไม่มีใครเสมอกับพระประเจระพุทธเจ้าได้เลยเราจะบอกคุณเพียงสังเขตนี้ของพระประเจรพุทธเจ้าผู้เป็นมหามุนีเหล่านั้นอย่างชาัดเจน เธอทุกรูปเมื่อปราถนาพระนิพพานอันเป็นโอสถวิเศษมีใจผ่องใสดีแล้วก็จงตั้งใจฟังถ้อยคำที่ไพเราะดุดน้ำพึ่งหยาดน้อยๆเกี่ยวกับประวัติของพระปเจกกระพฤเจ้าผู้เป็นมหาฤาสีผู้ตรัสรู้ได้เองเถิดประวัติในอดีตการพยากรณ์โทษเหตุปราศจากความกำหนัดอันใดของพระปเจกประพเจ้าผู้อุบัติขึ้นแต่ละองค์แต่ละองค์ และพระปฏิเจกพพุทธเจ้าทั้งหลายได้บรรลุพระโพธิญาณด้วยเหตุอันใดพระปฏิเจกพพุทธเจ้าทั้งหลายมีการกําหนดหมายในวัตถุที่น่ารักใคร่ว่าปราศจากความน่ารักใคร่มีจิตคลายกำหนัดในโลกที่มีสภาวะน่ากำหนัดและกิเลสที่เป็นเหตุให้เนิ่นช้าชนะทิฏฐิที่เป็นเหตุให้ดิ้นรนแล้วได้บรรลุพระโพธิญาณเพราะเหตุอันนั้นนั่นเอง บุคคลยกโทษในสัตว์ทุกจำพวกไม่เบียดเบียนสัตว์หนึ่งสัตว์ใดในบรรดาสัตว์เหล่านั้นมีจิตเมตตาหวังประโยชน์เกื้อกูลจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดพระปัจเจกพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวว่าบุคคลยกโทษในสัตว์ทุกจำพวกไม่เบียดเบียนสัตว์หนึ่งสัตว์ใดในบรรดาสัตว์เหล่านั้นไม่ต้องการบุตรแล้วจะพึงต้องการสหายจากไหนเล่าจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรด พระปเจกผู้จเจ้าอีกองหนึ่งกล่าวว่าความรักย่อมมีแก่ผู้มีความเกี่ยวข้องทุกนี้ย่อมเป็นไปตามความรักบุคคลเมื่อเพ่งเห็นโทษอันเกิดจากความรักจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดพระปเจกผู้จะเจ้าอีกองหนึ่งกล่าวว่าบุคคลเมื่ออนุเคราะมิรสหายผู้ใจดีมีใจผูกพันย่อมทาประโยชน์ให้เสื่อมไปได้ บุคคลเมื่อเพ่งเห็นภัยในความเชยชิดจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนหนอแรกพระปเจกขพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งกล่าวว่า <conc> ก็ไัยกว้างใหญ่เกาะเขียวกันไว้ฉันใดความห่วงใยในบทและทาระก็กว้างใหญ่เกาะเกี่ยวกันไว้ฉันนั้นบุคคลเมื่อไม่เกี่ยวข้องเหมือนหนอภัยจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนหนอแรกพระปเจกขพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งกล่าวว่า เนื้อในป่าไม่ได้ถูกผูกมัดไว้ย่อมเที่ยวหาอาหารได้ตามความพอใจฉันใดวินยูชนเมื่อเพ่งเห็นธรรมที่ให้ถึงความเสรีจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดพระปจเจกขพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งกล่าวว่าในถ้ำกลางสหายย่อมมีการปรึกษาคันในเรื่องที่อยู่เรื่องการดำรงตนเรื่องการไปเรื่องการเที่ยวจาริก บุคคลเมื่อเพ่งการบวชที่ให้ถึงความเสรีที่พวกคนผ่านไม่มุ่งหวังจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดพระปเจกะพุทธเจ้าอีกองหนึ่งกล่าวว่าในถ้ำกลางสหายย่อมมีการเล่นมีความยินดีและในบุตรก็ย่อมมีความรักอันภัยบู์บุคคลเมื่อรังเกียรความพร่าพรากจากสิ่งเป็นที่รักจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรก พระปัเจกพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งเปล่งอุทานว่าพระปัเจกพุทธเจ้าแผ่เมตตาไปทั้งสี่ทิศไม่ขัดเครืองยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้ครอบงำอันตรายทั้งหลายและไม่หว่าเสียวจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนอนอแรดพระปเจกพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งกล่าววา่าแม้บรรพชิต พ, พวกหนึ่งและพระหัสเทือ ก, กําลังครองเรือนก็สงเคราะห์ยาก บุคคลพึงเป็นผู้ขวนขวายน้อยทั้งในผู้อื่นและในบุตรจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรกพระปะเจกผู้เจ้าอีกองค์หนึ่งกล่าวว่าพระปะเจกผู้เจ้าผู้กล้าหาญลงเครื่องหมายครหัสแล้วตัดเครื่องผูกพันของครหัสแล้วเหมือนต้นทองหลงที่ใบร่วงหล่นแล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรกพระปะเจกุทธเจ้าอีกองหนึ่งกล่าวว่า ถ้าบุคคลพึงได้สจหายผู้มีปัญญารักษาตนเที่ยวไปด้วยกันเป็นสาธุวิหารีเป็นนักปราชครอบงมามอันตรายทั้งปวงได้แล้วพึงมีใจแช่มชื่นมีสติเที่ยวไปกับสหายนั้นเถิดพระปัจเจกพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งกล่าวว่าถ้าบุคคลไม่พึงได้สจหายผู้มีปัญญารักษาตนเที่ยวไปด้วยกันเป็นสาธุวิหารีเป็นนักปราดก็พึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเถิด เหมือนพระราชาทรงละทิ้งแคว้นที่ทรงชนะแล้วทรงประพฤติอยู่พระองค์เดียวเหมือนช้างมาตังคะละทิ้งโคลงอยู่ตัวเดียวในป่าฉชนนั้นพระประเจกับพะพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งกล่าวว่าเราสรรเสริญสหายสัมปทาโดยแท้บุคคลควรคบสหายผู้ประเสริฐสุดหรือผู้เสมอกันถ้าบุคคลไม่ได้สหายเหล่านี้เพึงเป็นผู้บริโภคปัจัยอันไม่มีโทษ จึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรกพระประเจกะพุทธเจ้าอีกองคหนึ่งกล่าวว่าบุคคลเห็นกำไลทองสองวงอันสุปล่งที่ช่างทองทำสำเร็จอย่างดีกระทบกันอยู่ที่ข้อมือแล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรกพระประเจกะพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งเปล่งอุทานว่าด้วยอาการอย่างนี้การกล่าววาจาหรือความเขียวข้องกับเพื่อนพึงมีแก่เรา บุคคลเมื่อเพ่งเห็นภัยนี้ต่อไปจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรกพระประเจกพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งกล่าวว่าเพราะการามทั้งหลายสวยงามมีรสอร่อยน่ารื่นเริงใจยั่วยวนจิตด้วยอารมณ์หลายรูปแบบบุคคลเห็นโทษในการามคุณแล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรกพระประเจกพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งกล่าวว่าคําว่ากามนี้เป็นอันตราย เป็นดุดฝีเป็นอุปัตวะเป็นโรคเป็นดุดลูกสอนเป็นภัยบุคคลเห็นภัยนี้ในกลามาคุณแล้วเจ้งประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนน่อแรดพระประเจกพรพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งกล่าวว่าบุคคลพึงครอบเมืภัยทั้งปวงแม้เหล่านี้คือความหนาวความร้อนความหิวความกระหายลมแดดเหลือบและสัตว์เลื้อยคลาน จึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรกพระปจเจกพุทธเจ้าอีกองหนึ่งกล่าวว่าพระปจเจกพุพธเจ้าละทิ้งหมูมีขันเกิดดีแล้วมีดอกบัวคือธรรมเป็นผู้ยิ่งใหญ่อยู่ในป่าตามความชอบใจได้เหมือนนาคละทิ้งโคลงแล้วอยู่ในป่าได้ตามความชอบใจจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรกพระปเจกพุทธเจ้าอีกองหนึ่งกล่าวว่า บุคคลเครครวนถ้อยคำของพระปเจกกระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพัน์แห่งพระอาทิตย์ว่าบุคคลสัมผัสวิมุติได้ซึ่งเกิดขึ้นตามสมัยวิมุตนั้นเป็นไปไม่ได้สำหรับบุคคลผู้ยินดีการคุกคลีด้วยหมูคณนะดังนี้แล้วจึงพระพฤติอยู่คู่เดียวเหมือนนอแรกพระปเจกระพุทธเจ้าอีกองหนึ่งกล่าวว่าพระปเจกกพุทธเจ้าประพุทธรุ่งทิฐิอันเป็นเสีย น, น้า ถึงนิยามได้เฉพาะมากแล้วเป็นผู้มีญาณอันเกิดขึ้นแล้วไม่ต้องให้ผู้อื่นแนะนำจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรกพระประเจกขพุทธเจ้าอีกองหนึ่งกล่าวว่าพระประเจกขพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่โลภไม่หลอกลวงไม่กระหายไม่มีความลบหลูก่กำจัดสภาวะกิเลสดุดน้ําย้อมและโมหะได้แล้วเป็นผู้ไม่มีความหวังในโลกทั้งปวง จึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรกพระประเจกับพุทธเจ้าอีกองหนึ่งกล่าวว่าบุคคลพึงละเว้นสหายชั่วผู้ไม่เห็นประโยชน์ผู้ตั้งอยู่ในธรรมที่ผิดไม่พึงคบผู้ขวนขวายและผู้ประมาด้วยตนเองจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรกพระปเจกับพุทธเจ้าอีกองหนึ่งกล่าวว่าบุคคลพึงคบมิตรผู้ได้ศึกษามากทรงธรรมผู้ยิ่งใหญ่ มีปฏิพานรู้จักประโยชน์แล้วพึงกำจัดความสงสัยได้จึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรกพระประเจกขพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งกล่าวว่าพระประเจกขพุทธเจ้าไม่ชื่นชมการเล่นความยินดีและความสุขในโลกไม่ใส่ใจงดเว้นจากฐานะแห่งการประดับตกแต่งพูดคำจริงจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรก พระประเจกพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งกล่าวว่าพระประเจกขพุทธเจ้าละทิ้งบุตรภันยาบิดามารดาทรัพย์ธัญชาตพวกพ้องและกามตามส่วนแล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรกพระประเจกขพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งกล่าวว่ากามนี้เป็นเครื่องข้องมีความสุขน้อยในกามนี้มีความยินดีน้อยมีทุกข์มากผู้มีปัญญารู้ว่า การนี้เป็นดูดขอเหล็กแล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดพระประเจกขพุทธเจ้าอีกองหนึ่งกล่าวว่าพระประเจกขพุทธเจ้าทำลายสังโยชน์แล้วเหมือนสัตว์น้ำทำลายขลายและเหมือนไฟไหม้เชื้อมอดหมดไปไม่กลับมาจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดพระประเจกขพุทธเจ้าอีกองหนึ่งกล่าวว่าภิกษุเป็นผู้ไม่อสอดายจักสุ และไม่เป็นผู้มีเท้าอยู่ไม่สุขคุ้มครองอินทรีย์รักษาใจได้แล้วไม่ชุ่มด้วยกิเลสไฟกิเลสไม่ได้เผาจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรกพระประเจกขพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งกล่าวว่าพระประเจกพุทธเจ้าปรุงเครื่องหมายเคราหัดแล้วครองผ้ากาสาวะออกบวชเหมือนต้นทองแหลงมีใบทึบจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรก พระประเจกขพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งกล่าวว่าพระประเจกขพุทธเจ้าไม่ทําความยินดีในรถไม่โลเลไม่ต้องเลี้ยงคนอื่นเที่ยวบินทบาทไปตามลําดับตรอกมีใจไม่ผูกพันในตระกูลต่างๆจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนหน่อแรกพระประเจกขพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งกล่าวว่าพระประเจกพุทธเจ้าและเครื่องกั้นทางใจห้าประการ ขจัดอุบัติเลตแห่งจิตทั้งปวงได้แล้วไม่อิงอาศัยเครื่องอาศัยเคยทิฏฐิตัดความรักและความชังได้แล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรกพระประเจกพพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งกล่าวว่าพระประเจกพุทธเจ้าละสุขและทุกข์โสมนัสโทมนัสก่อนๆได้แล้วได้อุเบกขาและสมถะอันสะอาดแล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนอนอแรก พระปเจกขพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งกล่าวว่าพระปเจกขพุทธเจ้าตั้งความเพียรเพื่อบรรลุประโยชน์อย่างยิ่งมีจิตไม่ย่อหย่อนไม่ประพฤติเกียรติคร้านมีความบากบั่นมั่นคงเข้าถึงเรียวแรงและกำลังแล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดพระปเจกขพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งกล่าวว่าพระปเจกขพุทธเจ้าผู้ไม่ละการหลีกเร้นและชาน ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมเป็นนิดพิจารณาเห็นโทษในภพแล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรกพระประเจกบพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งกล่าวว่าพระประเจกบพุทธเจ้าเมื่อปรารถนาความสิ้นตันหาไม่ประมาทไม่โง่เขลาคงแก่เรียนมีสติผู้มีสังคตะธรรมผู้แน่นอนมีความมุ่ง ม, มั่นจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรก พระปเจกขพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งกล่าวว่าพระปเจกขพุทธเจ้าไม่สะดุ้งในพระเสียงเหมือนราชสีไม่ถีบขายเหมือนลมไม่เปียกน้ําเหมือนบัวจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดพระปเจกพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งกล่าววา่พาพญาศิหราชมีเขี้ยวเป็นกําลังข่มขีครอบงำเนื้อทั้งหลายเที่ยวไปฉันใดพระปเจกขพุทธเจ้าก็มีปัญญาเป็นกําลัง ครอบเมบุคคลทั้งหลายด้วยปัญญาใช้สอยเสายนาสนะอันสงัดจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดพระประเจรกุูธเจ้าอีกองค์หนึ่งกล่าวว่าพระประเจรกุทธเจ้าเสพอาศัยเมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขาอันเป็นวิมุตตามการสัตว์โลกทั้งปวงมิได้เกลียชังจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดพระประเจรพผทธเจ้าอีกองหนึ่งกล่าวว่า พระปเจกพุทธเจ้าและราคะโทสะและโมหะทำลายสังโย์ได้แล้วไม่สะดุ้งในเวลาสิ้นชีวิตจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรกพระปเจกพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งกล่าวว่าทุกวันนี้มิตรทั้งหลายมีประโยชน์เป็นเหตุจงคบและเสพด้วยมิตรที่ไม่มุ่งประโยชน์หาได้ยากมนุษย์ทั้งหลายมีปัญญามุ่งประโยชน์ตนไม่สะอาดพระปเจกขพุทธเจ้า จึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดพระประเจกปพุทธเจ้าทั้งหลายมีศีลบริสุทธิ์เบื้อยปาริสุทธิศีลสีมีปัญญาหมดจดดีมีจิตตั้งมั่นมันประกอบธรรมเป็นเครื่องตื่นเห็นแจ้งไตรลักษณ์เห็นธรรมวิเศษรู้อยู่โดยพิเศษซึ่งอริยธรรมที่ประกอบด้วยองค์มรรคและโพชฌงค์ที่รชนเหล่าใดจเจริญสุญญาตาวิโมกอ น, นิมิตาวิโมก และอปนิหิตาวิโมกแล้วยังไม่บรรลุความเป็นสาวกในศาสนาพระชินเจ้าทีระชนเหล่านั้นย่อมเป็นพระสยามภูปเจกกชินเจ้าพระประเจกกพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีธรรมยิ่งใหญ่มีธรรมกายมากมีจิตเป็นอิจระข้ามห่วงแห่งทุกข์ทั้งมวลได้แล้วมีจิตเบิก บ, บานนีปกติเห็นประโยชน์อย่างยิ่งเหมือนราชสีเหมือนนอแรก พระประเจกพุทธเจ้าเหล่านี้มีอินทรีย์สงบแล้วมีจิตสงบแล้วมีจิตเป็นสมาธิประพฤติตอบแทนด้วยความเอ็นดูและความกรุณาในเหล่าสัตว์ที่อยู่ตามชายแดนเหมือนดวงประทีปส่องสว่างอยู่ในโลกนี้และในโลกหน้าเพื่อกูลสัตว์โลกเป็นนิสพระประเจกพุทธเจ้าเหล่านี้เป็นผู้สูงสุดในหมู่ชนและเครื่องกั้นทั้งปวงได้แล้วเป็นดวงประทีปของโลก มีรัศมีเช่นกับประกายแสงแห่งทองแท่งเป็นผู้สมควรรับสักษีนาย่างดีของชาวโลกอย่างแน่นอนพระปจเจกพุทธเจ้าเหล่านี้เป็นผู้แนบแน่นอยู่เป็นนิดทอดคาที่พระปจเจกขพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวไว้ดีแล้วย่อมแผ่ไปในโลกพร้อมทั้งเทวโลกชนพานเหล่าใดได้ฟังแล้วไม่ใส่ใจถึงคาที่พระปจเจกขพุทธเจ้ากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนั้นชนพานเหล่านั้น ย่อมเล่นไปในกองทุกข์ซ้ำแล้วซ้ำอีกถ้อยคำที่พระประเจกขพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวไว้ดีแล้วเป็นถ้อยคำไพเราะดุดน้าพึ่งหยาดน้อยๆไหลยหยดลงฉนั้นชนเหล่าใดได้ฟังแล้วปฏิบัติตามอย่างนั้นชนเหล่านั้นเป็นผู้เห็นสัจจะมีปัญญาคาถาที่พระประเจกขพุทธเจ้ากล่าวไว้แล้วเป็นคาถาที่โอฬานถ้อยคำเหล่านั้น เป็นคําที่พระสัพพยสีหะผู้สูงสุดในนรชนเสด็จออกผนวดประกาศไว้แล้วเพื่อให้เวนยสัตย์ได้รู้ธรรมถ้อยคําเหล่านี้ที่พระปจเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นกล่าวไว้แล้วเพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลกซึ่งพระสยามภูผู้สีหะนำมาประกาศไว้เพื่อเพิ่มพูนความสลดสังเวชความไม่ครุกคลีและปัญญา ระเจอกับพุท ธ, ธาประธานจบ